กระนัหวังความเจริญเติบโตวหวังความผลิดดอกออกผลจะได้เห็นดอกเห็นผลจะได้บริโภคอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้พวกปลูกพันไม้ทั้งหลายแหละพวกนี้จะอัตตันหาในอนาคตเนี่ยเพราะหวังว่าจะได้เห็นภาพแบบนั้นหวังว่าจะได้เป็นอย่างนี้พวก น, นี้ก็จะเป็นตันหาที่จะมีต่อไปในอนาคตพฉะนั้นพวกตันหากายะเนี่ยนะรูปตันหาสัพพตันหาเป็นต้นแล้วก็เป็นกลุ่ม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 ในโลกของดนตรีด้วยนี่ยิ่งยุะแยะไปหมดเลยคันตัณหาที่เกิดเพลิดเพลินในเสียงนี่จึงมีมากแล้วขันท่าตัณหากลิ่นนะตัณหาที่มีในกลิ่นเช่นกลิ่นที่เกิดจากดอกดอกไม้ทั้งหลายกลิ่นน้ําหอมกลิ่นอาหารนะกลิ่นเข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายแหละคันตัณหาที่เพลิดเพลินในกลิ่นเนี่ยนะก็โลกอีกโลกหนึ่งเลยแหละในเรื่องของกลิ่น ยิ่งรบด้วยเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากสมัยนี้รสชาตันหานี่ยิ่งใหญ่จริงๆรสชาตันหาเนี่ยนะในโลกของอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยและอาหารของแต่ละชนชั้นเอ่อของชนชาติของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ให้รสชาติกาหาที่แตกต่างกันนั้นโลกของรสชาตันหานี่ก็มากโพธาภะตันหาอะไรโพธาภะตันหาก็เยอะนะเช่นพวกดื่มน้ําเย็นน้าร้อนพวกนี้ทั้งหมดก็กลุ่ม โพธะาตัตถนาแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็คือให้โพธภตัตหาธรรมะตัณหาแล้วก็คือคิดเรื่องราวทั้งหลายแหละที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละเป็นบัญญัติทั้งหลายที่ททเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้ก็เป็นธรรมะตัณหาเพราะในโลกของตัณหานั้นจึงมีมากท่านบอกว่าเป็นโกงเป็นกลุ่มเยอะแยะไปหมดเลยเะนั้นทำหกถ้าจะละก็ละ ตันหารูปปัตนหาสัทธาตันหาคันธาตันหารัศฐตันหาโพตภพตันหาและธรรมะตันหาเนี่ยคูณกา마ตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาอีกนะแล้วคูณภายในคูณภายนอกคูณการสามนี่ะนี่ไม่คูณบุคคลอดียวกันนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยท่วมเหมือนตันหาท่านจึงว่าโอคะนี้ไม่ผิดเลยกาโมฆะมันท่วมทับสัตว์เนี่ยนะมันทำหกที่ควรละคือตันหากายะหก ไอ้จะละตันหานิละได้ยังไงก็ละด้วยทำปริญญาในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจนั่นแหละรูปรูปปะตะัตตาอรูปคือสีเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดแห่งตันหาถ้าจะละรูปปตัตตาหาต้องพิจารณารูปจนกาจัดตันหาในในอารมณ์นั้นพิจารณารูปนั้นจนรูปนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาอีกต่อไป พิจารณาเสียงพิจารณากลิ่นพิจารณารสพิจารณาโพธภาพิจารณาธรรมารมณ์ทั้งหลายจนอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปอเพราะพระองค์ตรัสว่าอัหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่รูปเสียงกลิ่นรสโพธภาและธรรมารมณ์ถามว่าถ้าจะละตัณหาระที่ไหน ถ้าจะดับปัญหาดับที่ไหนก็ดับที่รูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมรมที่เจรณาอย่างไรพิจารณาแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การละรูปปัญหาเป็นต้นนะก็ยังไงก็ไม่พ้นปริญญาเนี่ยนะไม่พ้นอะไรนะิยาตะปริญญาตีรณปริญญาและทหานะปริญญาแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมรมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของสิกขาสามให้ได้นะ ตัญหาเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรถโพธภพธรรมรมก็เนื่องจากไม่มีสิกขาสามในรูปเสียงกลิ่นรถโพธิภพและธรรมรมพิจารณาอย่างไรจนกว่ารูปเสียงกลิ่นรถโพธภพธรรมรมเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสิกขาสามเนี่ยนะก็เจริญสิกขาสามในทุกอารมณ์เพราะผู้ที่จะบริสุทธิ์จากตัญหาได้ถ้าไม่ใช่สิกขาสามแล้วบริสุทธิ์จากปัญหาไม่ได้หรอก ทุกอย่างจะต้องเจริญสิกขาสามได้กับทุกผลทุกแห่ง ท, ท, ทุกอารมณ์ส่วนธรรมะเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดอนุสัยนี้เพราะอัตถะว่าอะไรอัตถะว่ายังละไม่ได้ทั้นการมรานะคานุสัยเนี่ยนะหนึ่งการมรานะคะนุสัยสองปฏิคานุสัยสามมานานุสัยสี่ เทศานุสัยห้าวิจิกิจนุสัยหกภาวะราคานุสัยเจ็ดอวิชานุสัยคำว่านุสัยนี่แปลว่าอะไรนอนเนื่องโดยอัฐถาว่ายังละไม่ได้มันนอนแช่อยู่เลยใช่ไหมหลับสนิทมันเป็นยังไงท่านบอกว่าเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังเนี่ยนะเป็นชื่อพลวะกิเลสที่มีกำลังเรียกว่านุสัย มันไม่ใช่มันไม่รู้สึกนึกคิดมันหลับสนิทแช่อยู่ในจิตไม่ใช่แช่อยู่แบบอะไรนะนอนเนื่องตกตะกอนอะไรที่เขาว่าไม่ใช่สักอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลั ง, งนะกิเลสที่มีกําลังเพฉะนั้นการมราคาอนุสัยก็คือการมราคาที่มีกําลังความเพลดิดเพลินที่มีกําลังการมราคาอนุสัยเนี่ยเกิดอาศัยอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ของการมราคาอนุสัยคือ ปิยรูปสาธรูปอะไรอปิยรูปสาธรูปมันก็คลุมหมดแล้วเนาะสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจการมราคานุสัยก็จะเกิดในสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจหรือในสุขเวทนาเป็นต้นเนนะี่ยนะพวกนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งการมราคานุสัยปฏิคานุสัยล่ะอปิยรูปอสาธรูปทุกขเวทนาเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดแห่ง ปฏิคานุสัยการมาราคานุตสัยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงแป ด, ดวงเนี่ยนะโลภะแปนั่นแหละปฏิคานุสายเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตสองดวงมานานุสัยก็เกิดร่วมกับโลภาวิปยุตสี่ดวงทิฐานุสัยเกิดร่วมกับทิฏฐิคตะสัมปยุตสี 1, ่ดวงมิจิิจฉานุสัยก็เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตหนึ่งดวงภาวะราคานุสายก็เกิดร่วมกับ โลภาวิปรยุติสี่ดวงอวิชานุสัยเกิดร่วมกับอกุศลสิบสองดวงตัวอารมณ์ของอนุสัยก็คือการมราคานุสัยเกิดในปีรูปสาตรูปในสุขเวทนาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจปฏิคานุสัยเกิดในอารมณ์ชนิดไหนโกรธของสวยๆนี่เรียกว่าปฏิคานุสัยไหม โกรธของที่ของดอกอะเช่นสวยไปหน่อยสวยอะไรนะสวยน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยนะปฏิเรกว่าปฏิคานุสัยไหมไม่เรียกนะเพราะนั้นปฏิคานุสัยจะต้องเกิดในวัตถุอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นจึงจะเรียกว่าปฏิคานุสัยอย่างเช่นโกรธลูกอันเป็นอสมมตนะิลูกเป็นที่รักป่วยไม่สบายเนี่ยนะถามว่าชอบไหมไม่ชอบถามว่าโกรธลูกไหม ไม่โกรธสบายใจไหมตกลงอันนั้นเป็นอนุสัยไหมไม่เป็นปฏิคาอนุสัยแต่เป็นอวิชานุสัยในในสิ่งนั้นนะนะเป็นที่ตั้งแห่งอวิชานุสัยแต่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิคาอนุสัยในขณะนั้นมานานุสัยนอนเนื่องในรูปประพบอารูปประพบและในสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นปีรูปสาตรรูปทั้งหลายก็เือว่าเป็นที่ตั้งแห่ง มานะเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งมานะสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะทิฐานุสัยก็คือวัตตะในภูมิสามเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิทิธานุสัยหมดเลยวิจิกิจชานุสัยวัตตะในภูมิสามก็เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชานุสัยภาวาราคานุสัยก็คือรูปประพบอรูประพบเชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งภาวะราคานุสัยวัตตะในภูมิสามทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งอวิชานุสัย วน อ, อนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสที่ยังละไม่ได้เป็นกิเลสที่ยังมีกําลังเนี่ยนะกิเลสที่มีกําลังมากเรียกว่าอนุสัยเนี่ยนะเก <ide> ี่ยวกับโดยศับเ <ium> นี่ยนะความกําหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายชื่อว่ากรรมมาราคะเนี่ยนะราคะคือกรรมชื่อว่ากรมมาราคะก็คือความกําหนัด ด้วยอำนาจแห่งความใคร่ในวัตถุกรรมทั้งหลายที่ถึงความมีกําลังเรียกว่ากามราคาโนใสัเอาแล้วถามว่าถ้าชอบอปิยรูปอสสารูปชื่อว่าการมาราคาโนุสไหมเป็นไหมสมมติชอบอะไรนะเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าคนอื่นเขาบอกน่ารังเกียจมากแต่คนนี้ชอบอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่ากามราคาโนใสัยเพราะชื่อว่าเกิดในสิ่งที่ที่มันไม่ได้น่าชอบอะไรเลยชเช่นบางคนเนี่ยนะ ความเสียหายทรัพย์สินของของผู้อื่นเนี่ยนะและชอบที่คนอื่นเขาเสียหายทรัพย์สินดีใจมากไอ้ ย, อยางนี้เรียกว่าการมาราคานุสัยไหมไม่เรียกนะดีใจมากที่เขาตกนรกอ่ะนะศัตรูของเราตกนรกดีใจมากไอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการมาราคานุสัยอะไรเพราะการมาราคานุสัยจะต้องเกิดในอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่พอใจในอารมณ์ที่เป็นสุขนะบางคนดีใจมากชอบมากที่คนอื่นเจ็บปวดก็ไม่เรียกว่า การมาราคานุสัยปฏิฆะล่ะกระทบกระทั่งในอารมณ์ก็คือไม่ชอบในอารมณ์นั้นเนไม่ชอบจริงๆเลยนะในอารมณ์นั้นจึงเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าไปไปอะไรนะเกลียดเหลือเกินใครเอาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราอย่างนี้ถามว่ามีไหมคนโกรธแบบนี้โกรธที่คนอื่นเอาอาหารอร่อยอร่อยมาให้มีมเขามีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าถึงเรื่อง เศรษฐีบางคนเนี่ยนะเศรษฐีบางคนเนี่ยด่าคนใช้มากเลยที่เอาอาหารชั้นดีมาให้ให้ตัวเองบริโภคพอกินอย่างนี้ก็เจ๊งหมดสิเสียหายหมดสิอย่างเนี้นะก็เลยกโกรธเลยที่เอาอาหารอร่อยอะไรปทั้งโน้นอ่ะไปเอาเข้าวหักๆมาต้มเร็วเนี่ยนะไปเอาผักลองมาเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็าทานได้บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ากโกรธในสิ่งที่ที่ปกติคนทั่วไปชอบเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่เรียกว่าปฏิคานุสัยนะ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 สำคัญว่าสุขงามเที่ยงยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะด้วยอํานาจวิปลาสทั้งหลายนั่นแหละเป็นลักษณะของทิฏฐิเพราะพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐินี่อยู่บนพื้นฐานของวิปลาสนะถ้าไม่วิปลาสไม่มีมิจฉาทิฏฐิหรอกแต่อยู่บนพื้นฐานของวิปลาสจึงมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นเพราะถ้ารู้เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงแล้วจะไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิแต่เนื่องจากวิปริตเข้าใจผิดเข้าใจตรงกันข้ามในความเป็นจริงจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ส่วนมานะล่ะมานะก็คือมานะคืออะไรก็สำคัญว่าดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาอันนี้ลักษณะของมาณะเนี่ยนะก็อาหารการนั่นแหละอาหารการส่วนความกำหนัดในภพชื่อว่าภวะราคะเนี่ยนะความกำหนัดในภพในชื่อว่าภาวะราคะก็คือความเพลิดเพลินใน รูปประชานอรูปรชานในรูปภพอรูปภพเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นภวะราคานุสัยก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนี่ยนะจริงหนังสือเขาแก้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าติดออกมามันผิดพลาดนิดหน่อยหวังว่าคงใครกโกรธก็บาปใครจิตเป็นอกุศลก็บาปนั่นแหละข้าพเจ้าจะรักษาใจข้าพเจ้าทำบุญมาไม่ดีเองอืม ไม่ใ ช, ใช่อะไรมันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็แก้เอาก็แล้วกันต่อไปนะทำแปดที่ควรละคือมิฉตะเนี่ยนะจริงๆอ่ะมิฉตะเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์จริงๆก็ต้องแปลว่าความตะตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าความมิจฉาก็ผิดมิจชมิจฉาเนี่ยแปลว่าผิดความผิดอะไรความผิดยังไงก็ปฏิบัติผิดนั่นแหละเช่นปฏิบัติเป็นมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติเป็นมิจฉาสังกัปปะ เพราะว่าถ้าสัมมามะเขาเรียกว่าปฏิปทาใช่ไหมเรียกว่าข้อปฏิบัติท่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิดชัดเลยเ็าเรียกว่าเป็นความปฏิบัติผิดแปดประการ